แล้วก็สีพึ่งเนี่ยก็ไปสีปากเสียให้ดียิ้มเก่งๆก่งห6วันหลังไปบอกว่าไอาเฮียสีพึ่งเนี่ยไปได้มาจากไหนทำไมดีวิเศษนักหนาเพือปฏิบัติถูกต้องไม่ด่าไม่บ่นเขาเขาก็ต้องกลับมาบ้าน